กระแสจิตของพระองค์ท่านมีพลังพลังที่เกิดจากการปฏิบัติดีครูบาพรหมจักวัดพระพุทธบาทตากภาพครูบาพรหมจักได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีสอบนักธรรมได้เมื่อบวชเป็นพระภิกษุได้หนึ่งปีและเริ่มออกธุดงเมื่อพรรษาที่สโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าสแสวงหาที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญภาวนาได้เต็มกำลัง ท่านเดินทางไปหลายจังหวัดในภาคเหนือเลยไปถึงพมา่าและตามหมู่บ้านกระเลียงท่านถือธุดงคขวัดอยู่ป่าเป็นวัดออกบินทบาทห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดฉันมือเดียวเดินทางทุดงไปตามป่าหลายแห่งรวมเวลาหลายสิบปีต้องเจออุปสรรคความทุกข์ลำบากมากมายบางคราวต้องอดอาหารหลายวันภายหลังท่านมาจำพรรษาประจาที่วัดพระพุทธบาทตาก้า แต่เมื่อมีโอกาสแม้จะชราภาพมากแล้วท่านก็ยังนำพาภิกษุสัมมเนรออกเดินทุดงปรไปอยู่ตามป่าหรือป่าช้าเป็นครั้งคราวและได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาจนวัดพระพุทธบาทจากที่เคยร้างมาพันกว่าปีจนเจริญรุ่งเรืองเป็นพระที่มีจริยวัดอัน ง, งดงามและมีวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดอย่างมากก่อนจะละสังขาร ท่านครูบาได้ตื่นจากจำวัดแต่เช้าปฏิบัติธรรมตามกิจวัตรเมื่อถึงเวลาท่านลุกนั่งสมาธิสำรวมจิตสงบระงับและมรณภาพในท่านั่งสมาธิเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2527สอิริอายุ87ปีรวม67พันษาหลังพระราชทานเพลิงเสร็จสิ้นปรากฏว่าอัฐิของครูบาพรหมาจักได้กลายเป็นพระธาตุ มีวันณะสีต่างๆหลายสีเป็นที่อัศจรรย์ของคนที่ได้พบเห็นโอวาทของท่านครูบาพรมจักร 1. ปัญญาความรอบรู้สสัจจ์ความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริง 3. จากคะสละสิ่งเป็นค่าศึกแก่ความจริงใจ 4. อุปสมะสงบใจจากสิ่งเป็นข้าศึกแก่ความสงบรวมทั้งสประการนี้ท่านเรียกว่าอาธิ์ฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ